3. การสัรวมตนหรือสัญญะสัญญะความสัรวมกายวาจานี้ถ้าสืบเนื่องมาจากธรรมะการฝึกอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วก็จะเป็นไปได้ดีไม่ลำบากไม่ต้องเดือดร้อนฝืดฝืนดังพระพุทธพจน์ที่ว่าถ้าใจของบุคคลสงบแล้วการกระทำทางกายทางวาจาก็พลอยสงบไปด้วย ซึ่งบาลีว่าสันตังตสัตมะนังหติสันตาวาจาจา ก, กรรมมะจะในสมัยพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อสันตากายะแปลว่าผู้มีกายสงบท่านไม่ขนองกายวาจาเลยภิกษุทั้งหลายได้เห็นกายะสมาจารความประพฤติทางกายของพระสันตากายะแล้วไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ไม่เคยเห็นการขนองกายวาจาของพระสันตกายะเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุโมทนาว่าธรรมดาภิกษุควรเป็นเช่นพระสันตกายะคือไม่ขนองมือเท้าและกายวาจาควรเป็นผู้มีกายวาจาสงบดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าผู้มีกายวาจาและใจสงบแล้วมีจิตตั้งมั่นดีแล้ว คายโลกามิตรได้แล้วเพราะกล่าวว่าเป็นผู้สงบเพราะไม่มีอกุศลทางกายวาจาและใจกายเป็นต้นจึงสงบตั้งมั่นอยู่ในสุจริตนั่นเองเป็นธรรมสมาธิและจิตตสมาธิโลกามิตรคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะอันน่าใคร่น่าพอใจเป็นเหยื่อของโลกลาบยศสันเริญสุขก็เช่นเดียวกัน ท่านถือเป็นเหยื่อของโลกหลอกล่อบุคคลและสัตว์ทั้งหลายให้ติดพันอยู่ในโลกการสำรวมมือเท้าตาหูเป็นต้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ดูดีเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมีสมบัติผู้ดีและทำให้ปลอดภัยในวอกาที่มีภัยเมื่อได้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องผูดัพพระด้วยกายรู้อารมณ์ด้วยใจ และพูดถ้อยคำด้วยวาจาผู้ใดมีสติระวังมิให้อภิชชาคือความยินดีอยากได้โท ม, มนัสคือความเสียใจเกิดขึ้นครอบงำได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้สมรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและวาจาแต่ละอย่างละอย่างถ้าสมรวมพร้อมกันได้ทุกอย่างทุกเวลาก็ยิ่งเป็นความดีผู้สมรวมในสิ่งทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกทั้งปวง พร ะ, ระ um, อัตคถาอาจารย์กล่าวไว้ว่าเมื่อความไม่สํารวมเกิดขึ้นอกุศลธรรมห้าอย่างย่อมเกิดขึ้นด้วยคือความไม่เชื่อหนึ่งความไม่อดทนหนึ่งความเกียดคร้านหนึ่งความหลงลืมสติหนึ่งความไม่รู้หนึ่งในการใดความสํารวมเกิดขึ้นกุโลธรรมห้าอย่างย่อมเกิดขึ้นด้วยคือความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องหนึ่งความอดทนหนึ่งความเพียรหนึ่ง ความระลึกได้หนึ่งความรู้หนึ่งการสมรวมกายวาจาใจานั้นหมายถึงการเว้นจากกายทุจริวตวจีทุจริตและมะโนทุจริตประพฤติอยู่ในสัมมาจารีทั้งกายวาจาใจาเมื่อสมรวมทวารทั้งปวงได้ก็ย่อมสามารถพ้นจากทุกทั้งปวงเพราะอภิชาและโทมนัตไม่อาจรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้กิเลสไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาส มีเรื่องเล่าว่าภิกษุห้ารูปรักษาทวานทั้งห้าคนละท ว, วานเท่านั้นคือบางรูปรักษาจากสุเทวานบางรูปรักษาโสตะทวานวันหนึ่งภิกษุเหล่านั้นเถียงกันยึดมั่นในทวานที่ตนรักษาแล้วว่าดีที่สุดไม่อาจตกลงกันได้จึงไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามข้อข้องใจของตนขอให้ตรัสบอกว่าทวานไหนรักษาได้ยากที่สุด พระศาสดาไม่ทรงให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งน้อยใจตรัสว่าทวารทุกทวารรักษายากเท่าๆกันอีกอย่างหนึ่งแลพวกเธอไม่สํารวมแล้วในทวารทั้งห้าในการบัดนี้เท่านั้นก็หาม่ได้แม้ในการก่อนพวกเธอก็ไม่สมรวมแล้วไม่ตั้งอยู่ในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายไม่สํารวมทวารทั้งห้าได้จนสิ้นชีวิตแล้วดังนี้แล้วตรัส ตักกสิลาชาดกโดยย่อว่าเราทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจของรากสดหรือยักษ์น้ำเพราะเราตั้งมั่นอยู่ในความเพียรมั่นคงในคำแนะนำของท่านผู้ฉลาดและเพราะเรากลัวภยัยเราจึงรอดพ้นจากภัยใหญ่นั้นคำนี้พระโพธิสัตว์พูดถึงความสวัสดีในการเดินทางและได้คลองราชสมบัติในนครตักกสิลาได้กล่าวไว้ด้วยความเบิกบานพระไทย ในขณะทอดพระเนตรดูสิริราชสมบัติและตรัสว่าขึ้นชื่อว่าความเพียรอันสัตว์ทั้งหลายควรทำแท้พระตถาคตตรัสต่อไปว่าพวกเธอทั้งห้ารูปได้เป็นคนห้าคนในการนั้นเดินทางไปถึงเมืองตักศิลากับพระมหาศัตว์แต่เป็นผู้ไม่สมรวมจักสุเป็นต้นจึงถูกยักษีนีที่ปลอมตัวมาจับกินเพราะเธอทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในอ ว, วาทของบัณฑิต ส่วนพระราชาผู้สมรวมในอารมณ์มีรูปเป็นต้นไม่แลดูนางยักษ์ผู้มาด้วยเพศเพียงดังเทพธิดาแม้ติดตามมาข้างหลังเสด็จถึงเมืองตักศิลาโดยปลอดภัยคือเรานี้เองพระาศาสดาตรัสต่อไปว่าธรรมดาภิกษุควรสมรวมในทววานทั้งปวงพอเมื่อสมรวมในทววานทั้งปวงแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงอีกคราวหนึ่ง พระศาสดาตรัสสอนว่าผู้ใดสมรวมมือเท้า ว, วาจาและสมรวมตนยินดีในภาวนาอันเป็นภายในมีใจมั่นคงเป็นผู้เดียวเป็นผู้สันโดษบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้ชนนั้นว่าเป็นภิกษุการสมรวมมือคือการไม่ใช้มือไปในทางชั่วแต่ใช้ไปในทางอันเกิดผลบุญกุศลการสมรวมเท้าก็เหมือนกัน ส่วนการสํารวมวาจานั้นคือการเว้นวจีทุจริตพูดแต่วจีสุจริตส่วนการสํารวมตนนั้นคือการสํารวมจิตป้องกันไม่ให้วิตกสาครอบงำคำว่ายินดีในภาวนาอันเป็นภายในนั้นหมายถึงการเจริญสมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาข้อว่ามีใจมั่นคงนั้นคือตั้งมั่นอยู่ในสมาธิไม่วกแวกด้วยอารมณ์ต่าง เป็นผู้เดียวคือเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในอริยาบททั้งปวงอันหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะไม่มีตันหาเป็นเพื่อนเป็นผู้สันโดษหมายถึงพอใจในทางสุจริตพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวันทรงปรารพภิกษุข้าหงรูปหนึ่งจึงตัดพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อว่าชายหนุ่มสองคนชาวเมืองสาวัตถี ออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วยังอยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกันวันหนึ่งภิกษุสองรูปนั้นไปยังแม่น้ำอจิราวดีสงน้ำแล้วยืนพิงแดดคุยกันอยู่ขณะนั้นหงส์องตัวบินผ่านมารูปหนึ่งว่าจะเอาก้อนกรวดดีดให้ถูกตาหงส์นั้นอีกรูปหนึ่งว่าท่านจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ ก็รับคำท้าทายภิกษุรูปหนึ่งจึงดีดกรวดไปหงได้ยินเสียงก้อนกรวดแวกอากาศจึงเหลียวมาดูเธอหยิบก้อนกรวดอีกก้อนหนึ่งดีดไปโดยเร็วก้อนกรวดพุ่งเข้าตามันพอดีทะลุออกทางอีกข้างหนึ่งหงนั้นร้องด้วยความเจ็บปวดมวนตกลงแทบเท้าของภิกษุนั้นภิกษุอื่นๆยืนเห็นเหตุการณ์อยู่จึงกล่าวว่า ท่านบวชในพระพุทธศาสนาเหตุไรจึงทำปานาธิบาตปานาธิบาตไม่สมควรแก่ท่านดังนี้แล้วพาภิกษุนั้นไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอบวชในพระศาสนาที่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์เห็นปานนี้ทำไมจึงทำอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นบัณฑิตในปางก่อน แม้ยังคลองเรือนอยู่ก็มีความรังเกียจบาปแม้มีประมาณน้อยส่วนเธอบวชแล้วในศาสนาเห็นปานนี้หามีความรังเกียจบาปไม่เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนให้ทรงเล่าเรื่องของมดิตนั้นพระพุทธองค์จึงตัดอดีตนิทานว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าธ น, นชัยสเสวยราชสมบัติอยู่ในนคร อ, อินทปัดแควนกุรุ พระโพธิสัตว์เป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ากรุงอินทบาทนั้นทรงสำเร็จการศึกษาจากนครตักศิลาอันลือชื่อในศิลปะวิทยาคุณกลับมารับตำแหน่งอุปราชเมื่อพระราชบิดาที่วงคตแล้วได้รับราชสมบัติสืบช่วงต่อมาไม่ทรงละเมิดราชธรรมสิบประการทรงดำรงมั่นอยู่ในกุรุธรรมคือศีลห้าเมื่อพระองค์ทรงดำรงอยู่ในกุรุธรรมเช่นนั้น พระชนนีพะระอ克มะเหสีพระอนุชาอุปราชพราหมณ์ปโรหิตอมหาผู้ถือเชือกในสารถีเศรษฐีมหาอมหาผู้เป็นขุนคลังคนรักษาประตูและนางวันทาสีผู้เป็นหญิงงามเมืองของพระโพธิสัตว์นั้นก็รักษาศีลห้าด้วยเหมือนกันครั้งนั้นในทันตุบุรีแคว้นกาลิงพระราชาพระนามว่ากาลิงครองราชสมบัติอยู่ ฝนไม่ได้ตกชาวเมืองจึงขอให้พระราชาส่งคนไปขอช้างชื่ออันคณะวสกะของพระโพธิสัตว์เพราะเป็นช้างมงคลมีบุญมากเมื่อนำมาแล้วฝนจึงตกพวกพราหมณ์ผู้แทนแคว้นกาลิงไปยังแคว้นกุรุเพื่อขอช้างเมื่อได้ช้างไปแล้วฝนก็ยังไม่ตกพระราชาแห่งแคว้นกาลิงจึงสั่งพราหมณ์ไปอีกขอจารึกกุรุธรรมลงในแผ่นทองคา พระโพธิสัตว์เป็นต้นทรงทำอาการรังเกียจในศีลของตนเป็นเชิงถ่อมตัวว่าศีลของพวกตนไม่บริสุทธิ์เมื่อพวกพราหมณ์อ้อนวอนหนักเข้าจึงจำต้องบอกศีลของตนให้พราหมณ์ไปพระเจ้ากาลิงได้กุรุธรรมมาแล้วทรงสมาทานรักษาให้บริบูรณ์ตั้งแต่นั้นมาฝนในแควนของพระองค์ก็ตกต้องตามฤดูกาลแครนจึงกลับกเกษมสำราญมีภักษาหาได้ง่าย พระศาสดาทรงนำเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างแล้วตรัสว่าภิกษุบัณฑิตในครั้งก่อนรู้สึกรังเกียจแม้ในศีลอันบริสุทธิ์ของตนอันเป็นเชิงถ่อมตัวส่วนเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราแล้วก็ยังทำปานาธิบาตอยู่ได้ทำกรรมหนักเสียแล้วธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สมรวมมือเท้าและวาจาจึงจะควรอีกครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้ใดสมรวมปากพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านแสดงอัดและทมพาสิทธิ์ของผู้นั้นไพร่ขอทีบายเรื่องสมรวมปากเป็นต้นต่อไปสมรวมปากนั้นคือไม่พูดพล่อยไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องจะพูดและหยุดพูดเมื่อหมดเรื่องจะพูดแล้วไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเหลวไหล ระวังวาจาไม่กระทบกระเทือนใจผู้อื่นโดยหวังให้เขาเดือดร้อนพูดแต่วาจาอันก่อให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นพูดด้วยปัญญานั้นหมายความว่าคิดเสียก่อนแล้วจึงพูดไม่ใช่พูดแล้วต้องเอามาคิดกลุ้มใจภายหลังว่าไม่น่าพูดเลยคนที่มีปกติคิดเสียก่อนแล้วจึงพูดนั้นเป็นคนไม่พูดพล่อยเขาจะพูดอะไรออกไปเชื่อถือได้ ไม่ฟุง้งซ่านได้แก่มีใจสงบเมื่อใจสงบวาจาและกายก็พลอยสงบไปด้วยมีความเย็นกายเย็นใจเป็นวิหารธรรมมีความสุขเป็นผลความฟุง้งซ่านจึงเป็นอันตรายของความสุขแสดงอัดและธทำนั้นความว่าแสดงทั้งพระบาลีและความหมายแห่งพระบาลีนั้นอย่างถูกต้องคําว่าพระบาลีหมายถึงพระพุทธพจน์ ยกพระพุทธพจน์อย่างถูกต้องอธิบายถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนวาจาของพิสูจเช่นนี้จึงจะไพเราะการแสดงธรรมของเธอไพเราะวาจาของเธอควรแก่การฟังควรแก่การยึดถือปฏิบัติตามวิธีจะแสดงธรรมให้ไพเราะเช่นนี้นั้นคือต้องมีความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าจะแสดงธรรมเพื่อธรรมไม่ใช่แสดงธรรมเพื่อลาบยศหรือเพื่อเสียงสรรเสริญ เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่เชตวานารามทรงปรารบพระโกกาลิกะมีเรื่องย่อตามข้อความในพระสูตรสังยุตติกายสกาทวะเล่มสิบห้าหน้าสองดังนี้พระโกกาลิกะผู้เป็นสิทธิ์ของพระเทวทัตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งแล้วกราบทูลว่าพระสารีบุตรพระโมกขลานะ ไปแล้วสู่อำนาจของความปรารถนาลามกตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระโกกาลิกาว่าอย่าพูดอย่างนั้นเลยเธอจงทําจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรโมคลานะเถิดเพราะทั้งสองนั้นเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักพระโกกาลิกาทูลว่าแม้พระผู้มีพระภาคจะเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของข้าพระองค์ก็จริง แต่พระสารีบุตรพระมวกคลานะนั้นเป็นผู้ลามกตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกพระศาสดาตรัสห้ามถึงสามครั้งมิให้พระโกกาลิกะพูดอย่างนั้นแต่พระโกกาลิกะหาฟังไม่คงยืนยันว่าพระสารีบุตรพระมวกคลานะเป็นผู้ลามกอยู่นั่นเองเมื่อพระโกกาลิกะลูกจากที่เฝ้าไปเท่านั้นเกิดตอมขึ้นตามตัว ตอมนั้นค่อยๆตัวขึ้นแล้วแตกเป็นน้ำเลือดน้ำหนองทำกาละด้วยอาพาธนั้นเขาเกิดในนรกเพราะจิตอาฆาตในพระอัครส า, าวกทั้งสองตรารบเหตุที่พระโกกาลิกะต้องตกน ร, รกพระวาจานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าปุริสะหิชาตัสสะกุทารีชายะเตมุเขเป็นอาธิความว่า คนที่เกิดมาทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนผ่านผู้ชอบผู้ชั่วชั่วใช้เชื่อเชื่นตนเองผู้ใดชื่อว่าเกลียดโทษลงได้ปากย่อมไม่ประสบสุขเพราะโทษนั้นการแพ้การพนันสิ้นเนื้อประดาตัวยังเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการทำใจให้ประทุสลายในพระสุคตการทำใจให้ประทุสลายในพระสุคตมีโทษมากกว่าดังนี้เป็นต้น ในอัถกถ า, าแห่งพระธรรมบ ท, ม, บทมีความว่าเมื่อพระโกกาลิกะสิ้นชีพไปเกิดในปทุมนรกแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนาการในโรงธรรมว่าโอท่านทั้งหลายภิกษุชื่อโกกาลิกะถึงความพินาศแล้วพระปากของตนหน้าสงเวทยิ่งนักพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุโกกาลิกะ ถึงความพินาศแล้วเพราะปากของตนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนภิกษุโกกาลิกะก็เคยพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสเล่าอาดีตของพระโกกาลิกะดังนี้ในอดีตการเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสายแห่งหนึ่งในหิมวันตประเทศหค้งสองตัวเที่ยวไปหากินแถวนั้นทําความคุ้นเคยกับเต่า วันหนึ่งชวนเต่าไปเที่ยวที่อยู่ของตนนาถ้ำทองเบินพื้นภูเขาจิตตะกูดอันเป็นที่น่ารื่นรมเต่าถามว่าตนจะไปได้อย่างไรหงบอกอุบายว่าให้เต่าคาบไม้ไว้แล้วพวกตนทั้งสองจะคาบปลายไม้ทั้งสองข้างแล้วพาเต่าบินไปเต่าตกลงตามนั้นเมื่อหงพาเต่าผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พวกเด็กชาวบ้านเห็นแล้วชี้กันให้ดูแล้วร้องเสียงดังขึ้นว่าจงดูจงดูหงสองตัวพาเต่าวินไปเต่าอยากจะพูดโต้ตอบกับพวกเด็กว่าไอ้พวกเด็กชั่วช้ามันธุระอะไรของพวกแก่เล่าจึงปล่อยปากจากท่อนไม้ที่คาบอยู่ตกลงที่พระลานหลวงแห่งนครพารณสีแตกเป็นสองซีกสิ้นชีวิต พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สมรวมปากประพฤติสุจริตไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบดังนี้เป็นต้น